เพราะการศึกษาตรงนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นตัวขัดเกลาททำให้เราท่านทั้งหลายนั้นน่ะเนเกิดสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามมากขึ้นเพิ่มขึ้นในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านเนี่ยถ้าพิจารณาให้ดีแล้วนี่ยจะเห็นว่าการที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นตัวเหล่านี้ ก็จะต้องมาพิจารณาให้ดีว่าการที่เราท่านทั้งหลายจะเดินตามพระธรรมของพระพุทธมีพระเจ้าในบทที่เราศึกษากันอยู่ก็คือว่าสัมมาสัมพุทธโธนี่แหละก็คือการตัดสรู้อริยสัจได้ด้วยตนเองเป็นต้นทีนี้การที่เราจักมณสิการพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนนั้นนะเหตุผลสัมมาสัมพุทธ์เนี่ย สัมมาสัมพุท ธ, ธานเนี่ยหรือเหมือนบทนมโมที่เราสวดกันเนี่ยนโมตสสะบัคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคืออันาโมตสสะในก่อนใช่ไหมก่อนในบทแห่งการปรนามมรคถาหรือในการนามัสการพระพุทธเจ้าที่เริ่มต้นเนี่ยเหตุที่ไม่เอาหรือเหตุที่จะตั้งคุณ กาวคือน้โม ต, ตสสะพระควโตัวราตัวสัมมาสัมพุทธะหรือสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนะ่ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยถามบอกว่าบุคคลที่เข้ามาในพระาศาสนาก็จะรู้จักถามว่าคนที่ไม่รู้จักบทเนี้ก็มีแต่คนผ่านหรือคนที่เป็นวิชาทิฏฐิขั้นจะไม่รู้จักทีนี้ถึงคุณของพระราตนารัยนะัว่าคุณของพระราตนารายนั้นปรากฏอยู่ในโลกสาม ก็คือในการประพรมรูปประพรมแล้วก็อรูปประพรมในคุณของพระบระมา ศ, าศาสดาที่ปรากฏอยู่ในโลกทั้งสามดังที่ได้กล่าวเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งส่องแสงสว่างไปทั่วท้องจักรวาลหรือท้องฟ้าหมายถึงในช่วงที่พระอธิตพระจันทร์ที่ปราศจากเมฆหมอกทั้งหลายฉะนั้นถามว่า พราทิตย์เนี่ยนะถามว่าเป็นใหญ่กว่าดวงดาราเป็นใหญ่กว่าดวงจันทร์เป็นต้นทั้งปวงไหมเขาย่อมว่าเป็นใหญ่กว่าถ้าตอนกลางคืนก็คือดวงจันทร์ก็เป็นใหญ่กว่าดวงดาวทั้งหลายเป็นต้นในตอนกลางคืนก็คือดวงดาวดวงดวงเดือนพระจันทร์เนี่ยก็เป็นใหญ่กว่าพวกดาวทั้งหลายถ้าตอนกลางวันก็คือดวงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกย่อมเป็นใหญ่ปรากฏชัดแก่สายตาชาวโลกเป็นอันมาก สัตว์ที่ไม่สามารถที่จะเห็นดวงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะเห็นดวงพระจันทร์ทั้งหลายเนี่ยที่ขึ้นตอนกลางคืนนะมีสัตว์อยู่จำพวกเดียวคือสัตว์ที่อยู่ใต้ดินสัตว์ที่อยู่ใต้ดินไม่เห็นเพราะมันมืดสัตว์เหล่านั้นก็หมดโอกาสหรือสัตว์ที่ตาบอดสัตว์ที่ตาบอดสัตว์ที่อยู่ในโลกันแต่โกเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยหรือในมหาโรกเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ย ไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์ไม่ได้เห็นดวงจันทร์หรือคนที่จักสุบอดเป็ น, นต้นหนึ่งที่ได้กล่าวทีนี้สําหรับการพิจารณาในลักษณะนี้เราก็จะเห็นบอกว่าการนมัสการหรือการรู้คุณของพระเจ้านะั้าานพระอรหันตขี่นาศผู้ทรงพระไตรปิฎกหรือผู้สนใจหรือผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกทรงที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระเจ้ามาแล้วเป็นอย่างดีเนี่ย สามารถที่จะเห็นคุณของพระาราชาไตรคือพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็ต้นเหล่านี้เนะี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนถามว่าไม่ว่าจะบทคุณของพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านอุปมาเหมือนอะไรถ้าบทเริ่มต้นทั้งหลายเนี่ยนะท่านบอกเหมือนขุนเขาสุภาษุเมเอรุถามว่าเขาพาษุเมเอรุราชเนี่ยเป็นประธานเป็นใหญ่อยู่กลางจักรวาลก็จริงนะแต่ ถามว่าผู้เขาจักรวาลเออขอไปพมเมูเขาพาัศ ม, มรุเนี่ยหรือพระเขากุเมีรุนถามว่าปรากฏแกจักรสุของพวกเราหยเหตุที่ไม่ปรากฏเนี่ยนะ ท, ทั้งทั้งที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยก็เพราะว่าเรานั้นไม่มีตาทิศแต่อย่าลืมนะว่าภูเขาพาัศมีรุนทั้งหลายเนี่ย ปรากฏแก่เทพยดาและพรหมและผู้มีฤทธิ์เท่านั้นแต่จะเห็นปรากฏแก่จักรสูตรของท่านเหล่านั้นได้จะไม่ปรากฏแก่สามัญยศรหรือสามัญยโลกทั่วไปแล้วก็ต้องมาเห็นว่าคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างนั้นจะปรากฏกับคนที่เขาเข้าใจพระธรรมเขาลึกซึ้งในพระธรรม ถ้าคนไม่นึกซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นนะี่ยหมดโอกาสหมดโอกาสนะบุคคลที่มีปีชามีสัมมาทิฐิและลึกถึงคุณของพระเจ้าที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเมื่อพิจารณาถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นว่าคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยิ่งใหญ่เป็นประธานเป็นอนันตคุณ เหมือนบทคําว่ากุสลธรรมมากุสลธรรมมาและอวียากราธรรมมาอันนี้เป็นมาติกาเป็นแม่บทถ้ากล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวพิธ ร, รมทั้งหมดแล้วฉะนั้นคุณของพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเมื่อรับกล่าวเราละลึกเนี่ยชื่อว่าเราละลึกถึงพระธรรมของพพุทธเจ้าทั้งหมดด้วยเพราะพระธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดจากพุทธคุณ เมื่อไม่มีพุทธคุณแล้วเนี่ยพระธรรมคุณพระสังคคุณเราเห็นไม่ได้ถามไม่มีพุทธคุณเนี่ยใครแล้วกล่าวพระธรรมคุณถ้าไม่มีพระธรรมคุณแล้วสังคุณปรากฏได้อย่างไงเป็นต้นเราจะเห็นนะว่าการที่เรามาละลึกเนี่ยนบูรุษผู้มีปัญญา ม, มากมีความเพียรมีความศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้เขาบอกว่ากําลังแห่งการปราศหนา ถ้าคนปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นหนึ่งกำลังฉันทะรักใคร่ในราชสมบัติสองกำลังของวิรยิยะเพียนขวัขวายในราชสมบัตินะั้นสามกำลังของจิตตะตั้งจิตประหนึ่งเป็นอันเดียวในอันที่จะได้ราชสมบัติสี่กำลังของวิมังสาปัญญาต้องพิจารณาเหตุผลในกิจการทั้งพวงอันเปเหตุที่จะได้ราชสมบัติเมื่อมีกําลังสี่ประการบริบูรณ์แล้วก็ ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาสมบัติไว้ให้มากเมื่อได้ทราบแล้วก็นํามาประสงค์ข้อดูแลเหล่าทหารได้จัดแบ่งออกเป็นสิบหมู่อย่าให้ปนกันเอาคนกล้าปนกับคนขาดเอาคนขาดไปปนกับคนกล้าให้เป็นปัจจัยอุดหนุนกันและกันจากนั้นก็ยกกองทัพที่พร้อมลบไปสู่ยุทธภูมิเข้าตีข้าศึกได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ลาชาพิเศษ ได้สิริราชสมบัติประเทศที่เป็นเมืองขึ้นก็จะถวายสัพพาราชสมบัติเป็นพระราชลาบแล้วก็เป็นอุดมเนีพระราชสมบัติที่เราได้หรือเราสามารถนั้นได้จึงเป็นผลที่มาจากเหตุตามลําดับนั่นที่ได้กล่าวในลักษณะอุปมาอุปม า, ย อ, ปมายอย่างนี้เนี่ยในทางพระธรรมพระบรมโบธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อเป็นสุมเมธาดาบทท่านประสงค์อะไร ท่านประสงค์อาณักรมกยานในศาสตรนาของพระเจ้าทีบังกรแล้วเนี่ยท่านทําได้ง่ายมากท่านทําได้ง่ายมากแต่เนื่องจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์ใช่ไหมท่านต้องการที่จะทําให้ตนเองนั้นเน่ยพ้นทุกข์และทําให้คนอื่นพ้นทุกข์ท่านไม่ต้องการพ้นทุกข์เฉพาะตนเองแต่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเมื่อท่านมีพระมหากรุณาธิคุณปรารถนาพุทธสมบัติเมื่อท่านปรารถนาเนี่ยท่านก็เลยตั้งอัธยาศัยบอกว่า เป็นการไม่สมควรถ้าเราจะสามารถข้ามกามโมคาพราะโอคะทิโขคาวิโชคาได้แต่จะยังสัตว์ทั้งปวงให้จมอยู่ในโอคะเหล่านั้นเราจะข้ามโอคะทั้งสี่ได้แล้วจะให้บุคคลอื่นข้าโบคะทั้งสี่ตามเราเราพ้นทุก์จกให้บุคคลอื่นพ้นทุกเราตัดสู้แล้วจะให้บุคลมม ค, บคลอื่ น, นตัด ส, ดสู้สังสารัสังสารวัฏหรือหมายความว่า สังสารวัฏหรือภัยทั้งหลายนีความเป็นไปของกระแสขันาธนาใดยทนั่นเป็นภัยเมโทษพอท่านคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วอ่ะเมื่อปราถนาพุทธสมบัติคือสมบัติในการที่จะเป็นพทธเจ้าท่านจึงถือเอากำลังของอิทธิบาททั้งสีคือฉันทะคือกุศลกุศลฉันทะรักให้ในพระบรมโพธิญาณใช่ไหมทีนี้การที่ท่านจะต้องเป็นบรมโพธิสัตว์ ถ้าไม่เป็นบรมโอทิสัตถ์ท่านจะไม่ได้บรมธรรมท่านจะไม่ได้บรมธรรมท่านต้องมีฉันทะฉันทะเหล่านั้นเป็นกุศลฉันทะบวกกับศรัทธาในตถาคตโอทิสัตถาไม่ต้องบวกท่านจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ทีนี้การจะเป็นพระุทธเจ้าได้เนี่ยจะต้อ ง, ม, อง ม, รรมีจะต้องบําเพ็ญบรมธรรมจะต้องบําเพ็ญบรมบาตบารมี ปรมาอัตคือจะต้องทําบา ร, รมีนั้นให้เป็นให้เต็มถ้าบา ร, รมีไม่เต็มก็จะเป็นเข้าถึงบ ร, รมธรรมคือพระนิพพานไม่ได้ฉะนั้นท่านก็ตั้งสัตทินสีที่ถ้าบวกกับฉันชันท้าที่เป็นกุศลฉั้นท้าละไข่ในในบรมโพุทธิยานคือโพธิยานของบุคคลผู้บ่มเป็นบ ร, รมธรรมบริบูรณ์แล้ว คือสัมมาสัมโพธิญาณหนึง่งเวิยราก็คือความเพียรในอันที่จะขวนขวายสร้างบารมีเพื่อให้ได้บรมโพธิญาณ น, นั้นจิตตาก็คือความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นอย่างมุ่งมั่นคงในการที่จะยังบำเพ็ญบารมีให้ได้โพธิญาณดังกล่าววิมังสาคือปัญญาในการพิจารณาว่ามีผลมากน้อยในการที่จะมาเป็นบารมีให้ได้โพธิญาณ น, นั้นอย่างไร ด้วยเหตุทั้งสี่ประการเนี่ยนะพระองค์จึงเอาไปแสวงหาทรัพย์ก็คือเอาบุญกิจยาวัตถุเข้ามาทานศีลภาวนาอปจายนาเวยาวัจจะปฏิธานนปตานโมทนาธรรมสวนาธรรมเทศนาและธรรมสมาธิมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นให้มากนำมาบำรุงโยธาทหาร ท่านก็จัดกําลังใช่ไหมจัดกําลังไว้เป็นสิบหมู่ในสิบหมู่นั้นท่านก็จัดอะไรทานเจตนาโยธานี่หมู่หนึ่งศีลเจตนาโยธานั้นหมู่หนึ่งเนคขมมะเจตนาโยธานั้นหมู่หนึ่ ง, งปัญญาเจตนาโยธาใช่ไหมวิญญาเจตนาโยธา คันติเจตนายโยธาสัจจเจตนาโยธาอาทิอาทิฐานนะเจตนายโยธาเมตตาเจตนายโยธาอกเบีขาเจตนายโยธาอย่าให้ปะ ป, ปลกันคือทานะเจตนาอย่าให้ผลกับศีลเจตนาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ศีเลเจตนาก็าใยผลเนี่ยกลัมาในเจตนายโยธาจัดไว้เป็นหมู่ๆเป็นปัจจัยแก่กันและกันทีนี้แต่ละหมู่ละหมู่นั้น ท่านก็มีทหารหมู่ละยี่สิห้าในหมู่ยี่สิบ้าก็มีศรัทธาสติหิริโอตตาอโลพะอาทโฮสัตตะตะมชตะตากายปัสสติจิตะปัสสธิกายะหุตาจิตะหุตากายะมูรุตาจิตะมุรุตากายกามัญตาจิตะกามัญตากายะปะกุญญาตาจิตะปะกุญญ a ตากายะชุกตาจิตตุชุกตาสัมมาวจาสัมมากรรมันตามาอาชีวะ กรุณามุติตาปัญญาชื่อว่าโสภณะเจตสิกโยธาย5สบห้ามูแต่ละมูมแต่ละมู่ก็มีจุลโยธาแบ่งออกเป็นสิบามคือภาษะโยธาใช่เวทนาโยธาสัญญาโยธาเจตญายาโยธาเอกคตาโยธาแล้วก็ชีวิตตินเตรียโยธานั่ยแหละชีวิตินเสียมนาิการโยธาวิตกวิจารอธิโมกิริยะปีติชนทะ ทั้งสิบามโยธานี้ชื่อว่าอัญญสมาณาเจตสิโยธาเมื่อท่านบำรงโยธาทั้งสามเหล่าคือมหายโยธาสิบหมู่มชิมโยธา25ห้าหมู่แล้วก็จุระโยธาสิบสาหมูม่เข้าใจไหมหมาโยธาพวกฐานเป็นต้นพวกบารมีสิบมชิมโยธาก็คือกลุ่มโสพณาเจตสิยี่ห้าส่วนจุรโยธาหมายถึงอัญญสมาณาสิบสา บำรุงเลี้ยงมาช้านานาายี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากรบำรุงเลี้ยงถึงขนาดกล้าหารบริบูรณ์แล้วก็ยกพลทหารออกสู้ยุทธภูมิใต้ควงมา้าะษีมาภูมิกนะ่าคือโพธิพฤกษ์นั้นพระจนฆ่าศึกศัตรูหมู่มารทั้งห้าก็คือกิเลสส ม, ม, มานขขันธ์ธมาน มัจุมารเทวผุดมารและอภิสังขารมารสู้กัราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิธีจ า, าริการรัตภะอุทะจารเป็นต้นกิเลสที่เป็นไปกับอารมณ์อะไรทั้งหลายใช่ไหมตําหนุนตัณหาเลยเบ็เสร็จท่านท่านไปสู้กับกิเลสต่างๆเหล่านี้แล้วก็สู้กับเจตานาใช่ไหมอภิสังขารนี่แหละมานคือสังขารนี่เลยเกิอภิสังขาร เจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นอนิจชาทั้งหลายและก็สู้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารย่างซึ่งเป็นขันธธรรมาทั้งหลายเป็นต้นและก็มัดจุมานคือความตายที่สุดก็คือว่าเทพบุตรมารมารคือเทพบุตทั้งหลายพระชนล็อกฆ่าศึกศัตรูหมู่มารทั้งห้ามีกิเลสมาและเทพบุตรมารเป็นต้นเน่ยจัดแจงให้โยธาทั้งหลายทุกหมู่เหล่าทุกหมวดเป็นปัจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเพียงกันประจนพยามะารามาธิราชทั้งเสนามาในแพ้แพ้หนีไปในที่สุดจริงก็ได้รับชัยชนะหมู่กิเลสมารเป็นต้นจึงสำเร็จผลได้สัพพัญญูพิเศษได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมทีนี้พอบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพุทธสมบัติในวิมุตติสเสวชัิคืออราัตผลด้วยพรม เทวดาในหมื่นโลกธาตุถวายเสียงสาธุกการสมโพธิด้วยทิพย์ดนตรีและก็สังในขณะเมื่อบรรลุสัมมาสัมพธิยาณแผ่พุทธอาณาจักรไปแสงโกฎจักราวานเทวดานำเอาสัตตพิพัฒนรัตนะมาลามากราบถวายบังคมพุทธบาทยุบุกยุคนแล้วก็บังคมทูลกลับไปตามที่ได้กล่าวจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของพุทธองค์นั้นน่ ถ้าพิจารณาถึงพ่อบรมพุทธาพิเศษตามลำดับเพียรแห่งมรรคยานเนื่องดวยผลรยานเป็นต้นนะ่เหมือนอุปมาด้วยคดีทางราชาพิเศษตามลำดับดังที่ได้กล่าวถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าได้บำลุงทั้งมหาโยธามชิมาโยธาและจุลโยธา บ่มเพาะมาอย่างยาวนานนั้นเนะี่ยนี้ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าให้ดีถ้าเรารู้จักอย่างนี้สตินรีวิรินรีสตินรีสมาทินรีปัญญรีนั่นเนะ่ะจะได้แข็งแรงเพราะการที่เราไม่ได้ไข้ควรวญให้มากในเรื่องเหบเนี้อินรีคนเอทีนี้ถ้าเราคิดดูว่าถ้าจะจับ ปกติศรัทธาปกติหรือว่าหรือศัทธาที่มีความวิเศษหรือพิเศษจะต้องจัดเนี้ยวิริยะก็ต้องจัดเป็นวิริยะปกติกับวิริยะที่พิเศษระดับที่ ส, สมาธาภาวนาหรือปัศจนาภาวนาต้องถือว่าเขาพิเศษเข้าไหมถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ต้องแยกเป็นสองระดับระดับปกติกับระดับ พิเศษหรือระดับภาวนาศรัทธาเนี่ยนะคือเจตสิกใช่ไหมที่กล่าวไปแล้วเนี่ยสัจธินรีทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นใหญ่เป็นธรรมที่เป็นใหญ่รรหญก็หมายความว่าถ้าศรัทธาธรรมดากับศรัทธาที่พิเศษศรัทธาที่เป็นปกติหรือศรัทธาที่เป็นระดับภาวนาเป็นต้นเลยนี้ยศรัทธาที่เกิดกับทานศีลภาวนาที่ปลอม ทานปลอมๆศีลปลอมๆแล้วก็ภาวนาปอมๆศรัทธาอย่างนี้ปกติถ้ปลอมๆก็คือว่ามีศรัทธาทําไปตามปกติรักษาศีลตามปกติแล้วก็เจริญสมถะโาวนาวิปัสนาภาวนาไปตามปกติไม่มีแรงกระตุ้นอะไรแรงรุนแรงเลยแล้วค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ต้องจัดว่าปอมที่จัดว่าปอมเนี่ยจริงๆแล้วพูดอาจจะหนักนะ ก็คือมันมีผลน้อยมีผลน้อยเหมือนแต่เราจะศึกษาประธรรมกันแบบตั้ ง, งธรรมดามากก็ได้ไม่มากก็ได้ใช่ไหมหรือหรือไม่ได้ตั้งความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นปัจจัยการบรรลุโพธิญาณอย่างใดอย่างหนึง่งใช่ไหมถ้าไม่ต้องถ้าไม่ปรารธนาบรรนลูโพธิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสัตยานั้นต้องจัดว่าพรสัตยาที่ตั้งไว้นะพร ศรัทธาพระเจ้าไม่ศรัทธาแต่ว่าอุ้ยจ่เป็อะไรขนาดนั้นเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องบกปล อ, ปอมจริงจิเพราะไม่ใช่เป็นไปตามพุทธประสงค์ถ้าพระเจ้าจะเพ็งบารมีมาเพื่อจะให้สัตว์โลกมีศรัทธาแค่นนี้มันไม่ใช่หรอกแต่จริงอยู่บุคคลที่พอจะได้แค่ไหนก็นั่นแต่ปัญหาว่าเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไหม ถามมีลาอยู่ที่เราเลี้ยงก็ไม่ดีต่างหากมันก็เลยเป็นไปแบบเนี้ยเป็นไปแบบปกติธรรมดางมันอยู่เนี้ยแหทนศรัทธาเนี่ยนะการควบคุมจิตการที่ประพิจรน า, นารณาดูว่าสภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตที่มันออกนอกลู่นอกทางมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัตมันไม่ค่อยอยู่ในร่องรอยของวิถีหรอก ถ้จะให้มาฟังทำจะให้มาเจริญสมถะภาวนาหรือปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะให้มาดำเนินในกุศลศีลถึงขั้นศีลแล้วก็ทําศีลนั่นเป็นภาวนาเนเป็นสมมถะภาวนาจากสมถะภาวนาเป็นปฏิบัติภาวนานไม่มานั่นแหละมันมาไม่ถึงมันก็ตกอยู่อย่างงั้นแหละและที่สุดจริงๆก็เหมือนเป็นคนดีโดยทั่วๆไปนี่แหละลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าศรัทธาไม่มีกําลัง เมื่อศรัทธาไม่มีกําลังเนี่ยความสามารถในการที่จะหน่วงเหนี่ยวเอาสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าทางโลกเนี่ยจะเอาจักรพรรดิสมบัติหรือราชาธรรมดาเป็นต้นก็ไม่ได้แค่ศรัทธาระดับอย่างเนี้ยฉันถามว่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าย่อมไม่สามารถที่จะครอบงําจิตที่ผิดปกตินั้นให้สงบลงได้ ทีนี้ถ้าหากว่าศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาจิตก็ไม่รู้จักกุศลยินดีในบาปเท่านั้นถ้าไม่มีศรัทธาเลยนี่นะไม่ต้องโวยถึงเลยใช่ไหมตัณหาก็ทํากิจแทนเพราะศรัทธานี่ยเขเป็นปฏิปักษ์ต่อตัณหาถามว่าตัณหาโลภะเกิดจากจิตเนี่ยเขาจะรู้จักยังไงเขาไม่รู้จักกุศลกุศลชั้นทานก็ไม่รู้ชั่นศิญก็ไม่รู้ภาวนาไม่ต้องโวยถึง เพราะเขาไม่มีศรัทธาแต่ก็มีตัณหาแทนใช่ไหมมันอ่อนแอหมดแล้วถ้าพูดกันให้ชัดลงไปเนี่ถามว่ามันเป็นโรคเนี่ยเนี่ยจิตที่มีตัณหามีราคะมีโทสะโมหะก็ครอบงําเนี่ยโรคมันรุมเร้าเต็มไปหมดแล้วถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เดี๋ว่าคนที่มีจิตเป็นแบบนั้ น, นที่เต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะป็นส่วนใหญ่เนี่ย กับคนบ้าต่างอกันเลยต่างกันไหมถ้าเราพิจารณาดูคนบ้าเนี่ยนี่มาอาจจะเปรียบเทียบหนักนิดหนึ่งคนบ้าเนี่ยเวลาสมมติถ้าเราจะเคยอยู่กับคนบ้าหน่อยนิดหนึ่ยเขาไม่มีสติมีอะไรอยู่กับตัวพอกินข้าวแต่คํำสองคํำก็วิ่งไม่ท้าดิมหรอกข้างหิวเนี่ยแต่เขาวิ่งไปทั่วแหละพ่อแม่พี่น้องเขาเรียกมาใหม่ก็มากินตักได้ใส่ปากคําันก็วิ่งเพราะเขานับ คขาจะอยู่ในอารมณ์ในแป๊กเดียวกขาไปแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วนี่คือคือความความที่เขาดูแลจิตไม่ได้เลยอันนี้หนักแล้วหนักแล้วแล้วเขามาดูเราเนะเาะเราจะเอาจิตของเราอยู่กับพุทธคุณแล้วมันอยู่ได้นานไหมเนี่ย มันแคต่างอะไรกันยังไม่ต้องมาฟองเนี่ ย, าางงยนะอันนี้เราไปไปถ้ามองสังเกตุเราเห็นชัดเลยพอทําท่าจะลึกถึงบุนยากเอาแล้วไปอีกอีมันก็เหมือนกับคนที่เขาสติไม่ค่อยสมบูรณ์นั่นแหละจริงๆแล้วพอพะเขาเขาศรัทธาเขาไม่มีไม่ต้องพูดถึงที่ฟังทําไม่ได้เนี่ยนี่เรามามองดูเออมันจริงๆมันเหมือนจิตบ้างจริงเหมือนจิตนัน <laughs> มองเห็นไหมเนะี่ยพอไปตั้งปุ๊บ อยู่แป๊เดียวไปเลยมันก็จะหาตากมาคุ้นมันเล่น น, นู่นน่ใช่ไหมเหมือนคนดูแลจิตตัวเองไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรทางโลกเนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยถ่ยอุจจลระไตเส้นไปทั่วเขาไม่รู้นี่เหมือนกันเขาไม่เห็นคุณกงกฤตยา่เาเ้ากเลยเอาไปตั้งไม่ถูกเอาไปตั้งไว้เนะี่ยเขาทกใจเขาเพราะเขาไม่คุ้นเคยเลยจิตเขามันมันติดกับเรื่องนี้หมดแล้วมันติดกับเรื่องนี้หมดแล้ว ให้เขาฟังว่าทํานานๆก็จะฟังยังไงใจเขาไม่เป็นเลยอ่ะเขาไม่ได้ฝึกมาเลยอ่ะที่การจะควบคุมได้เขาต้องมีศรัทธามันแก้ได้ไหมแก้ได้รักษาได้ไหมรักษาได้ทำโอสถของพระเจ้ารักษาได้ทําให้ใจเขาน้อมได้เขาต้องฝึกแล้วเขาต้องอยู่ใกล้กัลยาณมิตรต้องมีไว้ทําองพรเจ้าราบรถเขากินบ่อยๆเสพคุณบ่อยๆในคุณของพระเจ้าเป็นต้นมันหายบ้าได้มันหายได้ใช่ไหม อุปมาอางนี้หนักไหมไม่หนักหรอกคือจะได้เห็นว่าจุดต่างกันมันไม่แทบไม่ต่างแต่สัตว์โลกไม่ยอมกล้าพูดคํานี้กันนะไม่ยอมกล้าพูดกันเลยเพราะมไม่มคิดไม่ได้เลยไปวางปั๊บหลุดไปวางปั๊บหลุดแต่ถ้าเรื่องอื่นสำคาญสําคัญหมดเลยถ้าเรื่องพระพุทธเจ้าคิดไม่ได้คือไปเดินเดินเดินไปนี่เดียวกันหลุดนี่แหละเขา คนบางคนเขาเลยได้แค่กุศลปกติแต่ลองไปตามดูกุศลปกติที่เข้าไปสมมุติว่าเอาจะไปไหว้พระเขาจะต้องถามมีเที่ยวด้วยไห ม, มไหมใช่ไม่ใช่มีกิจกรรมการเที่ยวด้วยเขาเข้าไปแล้วก็จะต้องมีถามว่าไปทําบุญเนียมีการการละเลึกด้วยไหมเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย จิตเขาคุมไม่ได้จะให้เขาอยู่กับกุศลอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้เขาไม่รู้เราจุดเขาโลกมันแรงแล้วมันต้องดื่มธรรมโอสถอย่างแรงเลยเขาเขาก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมลองเข้าไปดูในโรงพยาบาลจิตเวช ท, ทั้งหลายลองไปถามในทุกคนบ้าไหมเขาจะปฏิเสธเสียงเดียวกันเลยมาไปไมาแล้วเขาบอกเขาไม่บ้าแล้วเขาชีม้มาพวกเราเนี่ยว่าพวกเราบ้าเขาให่ยัง เนี่ยเราจะได้เห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วโลกใบนี้เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราลองสร้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วตึกพระธรรมเนี่ยเขาจะมองว่าเราบ้าถ้ากลุ่มที่อยู่อย่างนั้นน่ยเขาบอกเขาไม่บ้าเขาปกติเขาใชยังเพราะเขาไม่สามารถจะอยู่กับพระรัตนตรัยนานๆได้ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาส า, สาโรคหายยังไหมเขาก็มาอยู่กับคนปกติได้คนที่บ้าทั้งหลาย่ใช่ไหมเขากินยาดูแลเบ็ดเสร็จแล้วเขาก็ออกมาอยู่ได้นี่ก็เหมือนกันเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราอยู่กับพระอริยะไม่ได้เพราะเราเหมือนกับนั่นแหละเหมือนบนบ้านหละแต่ถ้าเรากําจัดจิตที่คุ้มค้างจิตที่บ้า จะการอยู่แต่กับในวัตถุกรรมได้ออกจากวัตถุกรรมได้เมื่อไหร่เราจะอยู่กับผ้าหิ้งเราจะอยู่กับเพื่อเจ้าได้ตอนนี้เรายังอยู่กับท่านไม่ได้เรายังห่างจากท่านอยู่เนี่ยมันจะได้เห็นภาพว่าจริงๆเนะี่ยสัตว์โลกเป็นอย่างนี้คำเนี่ยเรามานึกมานานอามาไม่กล้าพูดเหมือนอนามาถามตัวเองเราอยู่กับใครใช่ไหม แล้วอยู่กับใครเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยเราจะเ ห, เ, ห เ, หเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหงาไปใหม่แต่พอเริ่มเข้าใจไปเสร็จไม่ใช่อยู่คนเดียวคนที่ตึกอย่างนี้คข้ครัวอย่างนี้น้องจิตอย่างนี้เขามีเขามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีการแสวงหาตะยาณมิตรภายนอกยากจริงๆมีในพระไตรปิฎกเออมีในพระไตรวิฎกนนา น, นจะเจอ เข้าใจยังเพราะว่าสังคมเป็นอย่างนี้แล้วมันขาดตอนน่มาพูดมาตลอดว่มันขาดแล้วก็เป็นกันอย่างนี้หมดแล้วทีนี้ถ้าเราจะหลีกวิธีคิดออกมาแล้วก็ออกจากกลุ่มเถอะมทีนี้เราจะอยู่ยังไงอยู่อย่างภ้าริยาอย่างไงที่ท่านอยู่กับบุรุษชนธรรมดาก็ท่านไม่เห็นความต่างบุรุษชนไม่เคยเห็น ท, ท่านต่างเลย เพราะท่านอยู่กับพะรยาท่านไม่รู้อย่างพะรยาเลยทัพุทธชนเนี่ยท่านไม่เห็นท่านไม่เห็นปฏิปทาพะรยาเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยพากจิตออกจากจิตที่คลุ้งคลั่งเนี่ยเพราะจิตของเรานั้นมันน้อมก็หาเจอวัตถุกรรมทั้งหลายมันวนเวียนวนเวียนอยู่แค่นี้แหละไอ้วัตถุกรมและกิเลสกรรมนี่แหละมันถูกมัดจนแน่นเย็บอยู่แล้ว มันปองกศีรษะออกไม่ได้แล้วจะทำยังไงฉะนั้นการฟังว่าทำต้องเข้าใจพุทธประสงค์จริงๆถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมไอมาเคยฟังพระเจ้าตากสิลป์มีปณิธานั้นมาจำไม่แม่นแล้วเนะีย ของท่านอยู่ข้อจริงๆที่ท่านท่านถวายเป็นพุทธบูชานะั่นและท่านยกแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมนาพระโคโดมทีนี้เมื่อท่านกู้ชาติแปลงบ้านแปลงเมืองกู้ชาติถวายแผ่นดินในประเทศไทยทุกอนูของแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเสร็จแล้วท่านก็ไปขอร้องพระอรมาจําข้อความไม่ได้นะ ท่านบอกว่าพระคุณเจ้าให้มันรักษาศีลเจริญสมถาวิปัสนาให้เหมาะสมให้เหมาะสมเนี่ยที่ท่านเข้ามาในพระศาสนาถ้าท่านปฏิบัติเข่งคัดในศีลสมาธิปัญญาเลยนะบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆนี้เหมาะสมแล้วเนี่ยพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรบอกโยมบอกโยมเถอะ ถ้าพระคุณเจ้าถ้าหากโยมหาได้โยมจักหาให้ทันทีถ้าพระคุณเจ้าปราถนาเนื้อในกายของโยมโยมจะเชื่อดเนื้อถวายนี่ดูใจท่านดิเนี่ยโยมจะเชือดเนื้อแล่เนื้อถวายพระคุณยจ้าเห็นไหมอันเนี้คืออะไร ศรัทธาของท่านไม่ธรรมดานเนี่ยเอาแต่คิดถึงศรัทธานี้ใครว่าธรรมดาไหมคนที่คิดอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาหรอกศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากท่านบอกถ้าท่านตั้งมั่นในศิกขาสามเนะปฏิบัติสมถวิปัสนาญเหมาะสมแล้วนะเจริญตามรอยบาทต菩 า, าสดาแล้วนะท่านจะเอาอะไรถ้าพระเช่นท่านเนี่ยจจะเอาจะเอาอะไรมาฟัง อ้ Ồ, นี่ปฏิบัติทางอย่างพระโสดาบันนเนี่ยเหมือนอย่างปฏิบัทาเหมือนกับศรัทธาของพระโสดาบันนะใช่ไหมนี่ถ้าศรัทธาอย่างนี้ไม่ใช่ศรัทธาธรรมาดาแล้วท่านนั่งหลันี่เราเรามาดูว่านในเมืองเราในบ้านเราเรายังเห็นนะี่ย เออเรายังเห็นว่าท่านมุ่งมั่นจริงๆไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่เราคิดถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอืออะไรเกิดขึ้นเนเลยนะตรงนี้ก็มาพิจารณาบอกว่าศรัทธาเนี่ยนะที่จะเป็นสัตธินรีเนี่ยที่จะเป็นเนโพริปักเคียธรรมเนี่ยเป็นจิตที่สงบระ ง, งับความคลุ้มคลั่งของจิตได้ จิตเราในคุ้มค่างมันยาวนานแล้วออกจากนอกวิถีมานานแล้วกระเสือกษรสไปหารูปอารมณสัทธารมกันตารมรัสสารมโผล่ถ้าอารมณ์ตามอารม์มรมมอย่างยาวนานแล้วแล้วก็ชํานานในอารมณ์อย่างนี้อย่างยาวนานเขาชํานาญที่จะติดอยู่ในวัตตาเขาชํานาญในการที่จะติดอยู่ในตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสมันสงบไม่ได้ด้วยปกติสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ปกติวิริยะปกติสติปกติของสมาธิปกติของปัญญาเนี่ยมันสงบจิตที่ค้มขั้งไม่ได้จริงๆรักษาไม่ได้นั้นรักษาไม่ได้ทีนี้ปริมาณที่เราเราเสพคุณวัฒนธรรมของพระเจ้านั้นไม่ต่อเนื่องพราะเสพไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่รุนแรงเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นผิวเผือก ทนี้เวลาถ้าเราจะสอบให้ต่อเสพคุนให้ต่อเนื่องให้ให้มั่นคงเนี่ยหลายหลายคนก็เอ๊เนี่มันจะมากไปเห็นไหมไอตัวตั้นหาก็าไปเกงใจวัตถุกรรมไปเกงใจเขาอะไปเกงใจรูปอารมณ์สัทธารมณารมรลสารมบุตรอารมณนไธรรมารมไปเกงใจตาหูจมูกลิ้นไงใจก็ตั้นหากเกิดสัทธาครับ เห็นไหมมันแทรกอยู่อย่างนี้สมัยก่อนนายมาเป็นอย่างงี้แม้ปัจจุบันนายมาก็บางครั้งก็มีมาแทรกเป็นระยะอย่างเงี้ยเราท่านทั้งหลายต้องพิจารณาถือว่ามันเก่งใจจริงๆเก่งใจใช่ไหมรูปเสียอกิ่งแล้วเก่งใจวัตถุกรรมไม่กล้าจะพากตนเองหจริงๆฉะนั้นเวลา ปัญหาต่างๆมันมีกําลังมันจะทําให้ศรัทธาตกแต่ถ้าศรัทธามีกําลังมันจะเป็นปฏิบัติด้วยมองเห็นนะมันจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าศรัทธาที่ถูกบ่มเพราะจนได้เจริญด้วยการทําศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นเป็นไปตามลําดับแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะถ้าได้พบปัญญา ที่ถูกการบ่มเพาะเป็นอย่างนี้เบ็ยดเสร็จแล้วเนี่ยศรัทธาในลักษณะเนี้ยมันจะน้อมเข้าหาในการเจริญโพธิปักขียธรรมจิตก็จะสงบความคุ้มครั่งต่างๆแบบนั้นก็จะสงบลงก็จะถึงความผ่องใสทีนี้เมื่อจิตนั้นเข้าถึงความผ่องใสเหมือนแก้วมันีที่บอกเอาแก้วมันีเข้าไปน้ำที่ขุนแล้วก็เขยา่ากวนจนดินโคนจอกแหนเป็นต้นเหล่านั้นมันกระจายหายไป แล้วก็โคลนแรงต่างมันก็ไปนอนนี่มันใสแล้วเมื่อใสแลว้วเบ็ดเสร็จเนี่ยต้องแกวนตลอดบ่อยๆเนอะทถาต้องทําบ่อยๆสถาคาตาโพธิสัตธาต้องต้องให้เกิดบ่อยๆถ้ามันฟุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าตัณหาฟุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทําให้เรามืดอีกแล้วแล้วก็ทําให้เราฟังทำไม่ได้เกลียดก็ทําไปเลย ไม่อยากจะฟังธรรมไปเลยไม่อยากจะอยู่กับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยอะเขา้าใจยังมันอยู่ตัวนี้ให้สังเกตใจเราเหอะการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยมันดูศรัทธาก่อนในเบื้องต้นมันจะเห็นถ้าจิตมันคุณมัวมัวหมองทั้งหลาด้วยกำนนาังของกิเลสทั้งหลายหมดเลยมันตกไหมสังเกตไห ม, ไหมตอนไปอินเดียแม้มีมืศรัทธาตอนฟังธรรมเม้ดูศรัทธาเสียงพระธรรมหายภาพอารมณ์เหล่านั้นดับ อย่าแปลกเราไม่มีอุบายวิธีเราไม่มีอุบายวิธีธทีนี้เมื่อจิตผ่องใสจิตก็สงบจากอารมณ์การเจริญสมถธาวิปัสสนาเป็นต้นเหล่านั้นเป็นการบ่มเพาะอะไรอินทรีย์ทั้งหลายนั่นการที่เราจะมาคร่ควรมาพิจารณามาสิ่งต่างๆเหล่านี้ยหรือมาตั้งมั่นอย่างใดอย่าง น, น, นั่นเขาเรียกว่าเป็นการไม่ให้ น้ำมันดิ้นแล้วก็แขวนสารช่องแขวนศรัทธาคอยดูแลเรื่อยๆมันก็ยังไม่ฟุ้งขึ้นมาเพราะมันยังไม่สามารถเอาโครนตมต่างๆที่อยู่นอนกลมกลอนออกได้ไม่สามารถขจัดออกได้เดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายก็เจอกันเยอะแต่ก่อนเนี่ยมันฟุ้งซะจนไม่รู้ว่าฟุ้งอะมันเคลอะจนไม่รู้ว่ามันเคอะ้งไง แล้วเราก็ได้ไอ้โคลอนอย่างนั้นแหละแล้วเราก็คิดแบบจิตที่ไม่มีสตางคาสำคัญว่าเป็นสตางคาแท้จริงเป็นตันหาเขาเรียกเป็นวิฉาวิโมกใช่ไหมเป็นวิชาวิโมกวิฉาวิโมกมันตัวอธิโมกมันเกิดร่วมกับตันหาจะบอกว่าอันตันหาจริงๆมันก็ไม่ใช่มันเป็นอธิโมกมันเรียงไปจัดปัญหาแตนี่แต่มันมีตัญหาหนุนเนื่องไอ้ตัวเนี้ย มันตัดสินผิดผิดมาตลอดมันคิดผิดมาตลอดแล้วมันเร็วมากถ้าจะให้ตัดสินเรื่องวัตถุกรมเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊ ป, ปถ้าจะให้ตัดสินเกี่ยวเรื่องข้องคนของพระเจ้าอึดมากมันไม่เคยมันไม่เห็นมันไม่เข้าใจมันไม่ใสพอมันไม่ใส่แล้วเนี่ยกิตในการมองดูมันจะได้ยังไง ใช่ไหมกิจในการจะดื่มเปต้นมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและน้ํำนัน้มันต้องให้น้ําใสเฉั้นตัวศรัทธามันต้องนําร่องจริงๆตถาคตตาโพธิศรัทธาต้องชัดจริงๆถ้าต ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถาคตาโพธิศรัทธาไม่ชัดกิจต่างๆจะไม่ชัดเลยอันนี้เราก็พิจารณาทีนี้พอพิจารณาอย่างนี้บอกว่าถ้าสามารถทําลาย ได้อย่างต่อเนื่องเออคอยพเจริญได้อย่างต่อเนื่องย่อมมีกำลังถึงกำลังที่จะสามารถทําลายได้อย่างไม่เหลือหมายก็ว่าถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เกิดขึ้นอย่างแข็งแรงนะในส่วนจริงๆนะโดยเฉพาะศรัทธาแข็งหนึ่งในส่วนมันจะเห็นแต่ก่อนมันเป็นสักกายทิฏฐิยังไงที่มายึดมั่นในรูปเวทนาสัญญา ตอนนี้มองไปก็ไม่เห็นสักยัติทีมันคุมหมดแล้มันไม่ใสแล้วความชัดเจนในอดีตอนาคตปัจจุบันมัวหมดเลยฟ้าหมดเลยการที่จะท่องเที่ยวไปในกระแสของฐานธาตุอยายตนะการจะพิจารณาทุกขสัจก็พิจารณาด้วยจิตที่เป็นสัทาปกติวิริยาสติสมาธิปัญญาที่เป็นปกติใช่ไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเริ่ม มองเห็นขึ้นพอจะเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นพอเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นก็คือว่าพอเห็นศรัทธาชัดวิริยะก็จะเริ่มชัดวิริยะเนี่ยนะวิริยะที่เป็นไปในส่วนของปกติและ ว, วิิยะที่มันเป็นไปในส่วนของของที่เป็นความเพียรจริงๆเนี่ยนที่เป็นองที่มันบริบูรณ์จริงๆเนี่ยวิริยะนี่นะ ถ้ามาจัดตามความก็คือว่าปกติวิรยิยะในการงานทางโลกคือถ้าหากคนที่มีวิริยะค่อนข้างดีสีเนี่ยเขาจเจริญไม่ยากทุดงทั้งหลายก็ไม่ยากกับพร ะ, ะนี่เนี่ยประพฤติปฏิบัติทั้งหลายทีนี้เมื่อได้บริบูรณ์ด้วยการขัดเกลาเป็นต้นเหล่านี้ถามบอกว่า อบรมกายท ว, วิริยะไช่วยขัดเกลาได้เยอะขัดเกลาทํทำให้ตนเองนั้นเนะ่เข้ามาเริ่มศีลปกติศีลเนี่ยนะทาวิริยะไม่คอยกระต้นจริงๆเนะี้ยศีลไม่แข็งแรงเพราะศีลแข็งแรงเบเสร็จนะเนี่ยเาก็ต้นทุ ด, ดมเขาพัดเข้ามาเอเลยนะี่แข็งแรงอีก พอตัวดวงวัดเนี่ยการอยู่รุกขมูลการตั้งความเพียรที่เราท่านหลายไปอยู่กันเนี่ยเนี่ยนั่นแหะคือวิริยะทำกิจนั่นเขาเรียกอบรมกายเบื้องต้นน่ะนัเข้านักเข้าเนี่ยมันจะเริ่มการว่าเพียรมากกินน้อยนอนน้อยลักษณะอย่างเนี้ยเมื่อเมื่อกายเบาไหม ต่อไปเจอไดสิกที่เป็นในส่วนของวิริยะตอนกายเบานี่เป็นเรื่องของกายวิริยะเนาะวิริยะมามาขัดเกลากายยกรรมนะวจิกรรมนะต้องเบามากครวนมากศรัทธาก็มั่นอยู่แล้วใช่ไหมพอมาถึงวิริยะปุ๊บะวิริยะจะเป็นสองระดับวิริยะทานโลกว่ามาแล้วอันนั้นก็เป็นปกติวิริยะวิริยะตรงนี้เราก็ขยับขึ้นมาขัดเกลากายยกรรมหรืวิจิกรรมทุกตรง เริ่มเริ่มเริ่มในเรื่องกายเนี่ยเริ่มเบาแล้วกินน้อยกินน้อยนอนน้อยอต่างๆนี่มันเริ่มความเพียรมันขึ้นเหกินมากนอนมากนี่ความเพียรมันอึดมันมันเกี่ยวโกสัช้ามเยอะมันไม่ค่ยน่หรอกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพอขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าโค่ควรต่อเจ้ามานสิการกรรมฐานนี่มันจะเป็นเจตสิกวิริยะเนี่ย มันตายลบแล้วนี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนั้เวลาจะกําหนดลมให้ใจเข้าออกอะไรต่างนี้มันก็คล่องไม่คล่องได้ไงกายมันเบาการอบรมศีลอบรมกายอบรมกายอบรมศีลมันชัดใช่ไหมกายถูกอบรมศีลอบรมบางคนจะกินมากกายอบรมได้ไงไม่อบรมได้ไงดูแลกายมันเป็นปล่อยโรคใครใครเจ็บเบี่ยนตลอดเนี้ย ไม่ดูแลให้ดี้แล้วจะไปเจริญยามมาถานไงมันต้องแข็งแรงมันต้องสภาพกายดีใช่ไหมแต่ว่าแข็งแรงตรงนั้นเบ็ดเสร็จไม่ใช่อืด น, นะไม่ใช่วนวงยุ่งจนเสียหายหมดเลยไม่เบาเลยกายไม่เบาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าตัววิริยะสังวรเ น, นี่ยมาคับเรียกกายิกะวิริยะก็ได้ใส่บาลีก็ไปหน่อยนี่ดูแข็งๆกันใช่ไหมกวิริยะสังวร น, นั่นแหละ ที่ก็เริ่มขัดกันนักเข้านักเข้าทีนี้เจตสิกวิริยาใช่ไหมเจตสิกวิยาก็คือกระตุ้นนามาทำเมื่อกี้กระตุ้นขัดเกลากายแล้วใช่ไหมเห็นโทษเห็นภยัยของการกินมากเห็นโทษเห็นภัยในการนอนมากเห็นโทษเห็นภัยในการที่ที่เกี่ยวกับการจะจมอยู่กับจะจะบำรุ ง, งบำเลอกายแบบสมัยก่อน พ, อพ่อคูนมันจัง ใช่ไหมในตัวจริงๆมันก็ไม่เชื่องอะกายมันทรยศมันไม่ง่างมันไม่ดีใช่ไหมมันทรอยตนะนี่ไงดูแลมากมันก็แผงลิทธิ์ใช่ไหมที่จริงไม่ใช่ไม่ดูแลนะพูดอีกอยางไม่ใช่บอกว่าคุณห้ามดูแลนะดูแลดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีเหมาะสมแกการว่าจะดูแลกายนี้เพื่อเห็นไหม ปฏิสั่งทายโอนิโซปินทปาตังปฏิเสวามิพิจารณาให้ครวนมีความเพียรเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ขัดเกลากายนี่ขัดเกลาอย่างดีโรคภัยไม่เบียดเบียนแข็งแรงเดินได้เป็นวันละยอดไม่ใช่ธรรมดาเนะียคนแข็งแรงขนาดนั้นเนี่ยวันละสิบหกกิโลเนี่ยกแข็งแรงระดับสาวกของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยปกติฉันเดิเล่นๆเลยวลยอดเนี่ย เป็ปกติปกติเลยนั่นคือความเข้มแข็งทางกายถ้าอย่างนั้นจะปลุกเราเจริญศีลวิริยะยังไงตะกายตะกายยิยยก่กายวิริยะไม่ได้ดีพอใช่ไหมฮะให้สังเกตดูไหมสมัยกางวันการฟังทำกันจังเลยอะมองเห็นไหมโอ้เขาเขาแข็งแรงจริงๆเตือนมาตอนนี้ไม่ได้แล้ว แต่พูดให้ฟังว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยแอนมาก็ยังแต่พูดให้ฟังแต่แอนมารู้ร่องลอยแอนมารู้จักเบรกตัวเองนะนอนแล้วลุกเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยแอนมารู้จักรู้จักที่จะบริหารมันอยู่กับมันก็บางทีมันก็เพลินเพลินก็เตือนเตือนตือนเือและ